ความง่วงแค่เห็นว่าไม่เที่ยงเป็นสามระดับจนชินสติจะมีกำลังทัดทานได้จะนั่งสมาธิหรืออยู่ระหว่างวันก็ตามถ้าเกิดอาการง่วงลองดูความง่วงเป็นแรงกดดันให้สลบสไลด์สามระดับถ้าดูได้ครั้งหนึ่งจะทำได้ในครั้งต่อๆไปดูจนชินจะถึงจุดหนึ่งที่จิตเบาโล่งจากความง่วงได้เอง อาการง่วงแบ่งเป็นสามระดับง่วงมากอยากจะคว่ำลงไปง่วงกลางๆยังพอจะฝืนยังทรงอยู่ได้และง่วงอ่อนๆถ้ามีสติเท่าทันความง่วงเล็กๆได้กำลังสติจะค่อยๆขยับขึ้นไปเองฝึกเห็นความต่างในตอนที่ง่วงเลยว่าณนะขณะนี้กำลังง่วงอ่อนๆพอหายใจยาวสดชื่นขึ้นมา ความง่วงอ่อนๆหายเป็นปลิดทิ้งนี่คือการเห็นความไม่เที่ยงของระดับที่ดูง่ายม่วงระดับกลางๆต้องมีการยื้อแล้วหายใจอย่างสดชื่นหลายครั้งกว่าจะรู้สึกกลับมามีกำลังไม่ง่วงเงาหานอนได้ง่วงขั้นสุดยอดอย่างไรอย่างไรก็ความแน่ถ้าเป็นตะก่อนขาดสติพึงเลยแต่พอเริ่มมีกาลังของสติ รูความง่วงระดับอ่อนและกลางบ่อยเข้าบ่อยเข้าจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าแม้กระทั่งตัวหัวหน้าใหญ่ของความง่วงสติของเราก็มีกําลังที่จะไปทัดทานได้สามารถที่จะเท่าทานได้อย่าพิคาดหวังว่าจะทําได้ภายในครั้งสองครั้งหรือว่าจะเอาชนะตัวใหญ่ได้เร็วค่อยๆสะสมกําลังไปขอให้สังเกตเถอะ ที่นั่งสมาธิลาง่วงเนี่ยเป็นเพราะว่าเราเห็นแป๊บเดียวเห็นแค่จังหวะสั้นๆไม่สามารถเห็นในช่วงจังหวะยาวๆได้จิตยังคับแคบจิตยังไม่มีกำลังจิตยังอ่อนแอเกินกว่าที่จะรับรู้อะไรได้นานๆจนกระทั่งจิตมีกำลังมากพอเห็นความไม่เที่ยงของภาวะหนึ่งงได้จิตจึงเริ่มมีความตื่นตัวขึ้นมาเมื่อนั่งสมาธิแบบตื่นตัวได้นานขึ้นนานขึ้น จิตจะยิ่งมีความเข้มแข็งจิตจะยิ่งมีสติมีกำลังของสมาธิมากขึ้นถึงจุดหนึ่งจะรู้สึกเองว่าเราต้องการนอนน้อยลงเพราะได้พักได้ผ่อนคลายในระหว่างที่เจริญสติอยู่แล้ว